การสร้างบุญบารมีนั้นจะสร้างอย่างไรจึงเป็นการลงทุนน้อยที่สุดแต่ได้บุญบารมีมากที่สุดจากบทพระนิพนธ์ของ สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเรื่องวิธีสร้างบุญบารมีวิธีสร้างบุญบารมีในพระพุทธศาสนามีอยู่สามขั้นตอนคือการให้ทานการถือศีลและการเจริญภาวนา ที่นิยมเรียกกันว่าทานศีลภาวนาซึ่งการทำทานนั้นเป็นการสร้างบุญที่ได้บุญน้อยที่สุดไม่ว่าจะทํามากอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะได้บุญมากไปกว่าการถือศีลไปได้และการถือศีลนั้นแม้จะมากอย่างไร ก็ไม่มีทางที่จะได้บุญมากไปกว่าการเจริญภาวนาไปได้ฉะนั้นการเจริญภาวนานั้นจึงเป็นการสร้างบุญบารมีที่สูงที่สุดเพื่อความเข้าใจอันดีจึงขอชี้แจงการสร้างบุญบารมีว่าจะสร้างอย่างไรจึงจะเป็นการลงทุนน้อยที่สุดแต่ได้บุญบารมี มากที่สุดดังนี้น 1. การทำทานการทำทานได้แก่การสละทรัพย์สิ่งของสมบัติของตนที่มีอยู่ให้แก่ผู้อื่นโดยมุ่งหวังจะจุนเจือให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์และความสุขด้วยความมีเมตตาจิตของตน ทานที่ได้ทำไปนั้นจะทำให้ผู้ทำทานได้บุญมากหรือน้อยเพียงใดย่อมสุดแล้วแต่องค์ประกอบ3ประการกล่าวคือองค์ประกอบข้อที่1วัตถุทานที่ให้ต้องบริสุทธิ์องค์ประกอบข้อที่2เจตนาในการให้ทานต้องบริสุทธิ์และองค์ประกอบข้อที่3เนื้อนาบุญต้องบริสุทธิ์องค์ประกอบข้อที่1วัตถุทานที่ให้ ต้องบริสุทธิ์วัตถุทานที่ให้ได้แก่สิ่งของทรัพสมบัติที่ตนได้สละให้เป็นทานนั่นเองจะต้องเป็นของที่บริสุทธิ์ที่จะเป็นของบริสุทธิ์ได้จะต้องเป็นสิ่งของที่ตนได้แสวงหาได้มาด้วยความบริสุทธิ์ในการประกอบอาชีพไม่ใช่ของที่ได้มาเพราะการเบียดเบียนผู้อื่นเช่นไดมาโดยทุจริต หรือรักทรัพย์ยักยอกช่อโกงปล้นทรัพย์และชิงทรัพย์องค์ประกอบข้อที่2เจตนาในการให้ทานต้องบริสุทธิ์การให้ทานนั้นโดยจุดมุ่งหมายที่แท้จริงก็เพื่อขจัดความโลภความตระหนีทีเหนียวความหวงแหนหลงไหลในทรัพย์สมบัติของตนคือโลภกิเลสและเพื่อเป็นการสงเคราะห์ผู้อื่น ให้ได้รับความสุขด้วยเมตตาธรรมของตนเจตนาในการทำทานให้บริสุทธินั้นจะประกอบด้วย3ระยะคือ 1. ระยะก่อนที่จะให้ทานก่อนที่จะให้ทานก็มีจิตโสมนัส ร, ร่าเริงเบิกบานยินดีที่จะให้ทานเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นให้ได้รับความสุขเพราะทรัพย์สินของตน 2. ระยะที่กําลังลงมือให้ทานระยะที่กําลังลงมือทําทานอยู่นั้นเองก็ทําใจให้มีโสมนัสร่าเริงยินดีและเปิกบานในทานที่ตนกําลังให้ผู้อื่น 3. ระยะหลังจากที่ได้ให้ทานไปแล้วครั้นเมื่อได้ทําทานไปแล้วหลังจากนั้นก็ดีนานมาก็ดี เมื่อหวนคิดถึงทานที่ตนได้กระทำไปแล้วครั้งใดก็มีจิตโสมนัสร่าเริงเบิกบานยินดีในทานนั้นๆการทำทานอย่าได้เบียดเบียนตนเองเช่นมีน้อยแต่ฝืนทำมากๆจนเกินกำลังของตนที่จะทำได้เมื่อได้ทำไปแล้วตนเองและสามีภรรยาหรือบุตรต้องลำบากขาดแคลน เพราะไม่มีจะกินจะใช้เช่นนี้ย่อมทำให้จิตเศร้าหมองเจตนานั้นย่อมไม่บริสุทธิ์ทานที่ได้ทำไปแล้วนั้นแม้วัตถุทานจะมากหรือทำมากก็ย่อมได้บุญน้อยต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่ทำทานด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์คือตัวอย่างที่หนึ่งทำทานเพราะอยากได้ทำเอาหน้า ทำอวดผู้อื่นตัวอย่างที่สองทำทานด้วยความฝืนใจทำเสียไม่ได้ทำด้วยความเสียดายเช่นมีพวกพ้องมาเรียรไรตนเองไม่มีความศรัทธาแต่ก็ทำไปตัวอย่างที่สทํทำทานด้วยความโลภคือทำทานเพราะอยากได้นั่นอยากได้นี่ขอให้ร่ารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี ทำทานร้อยบาทแต่ขอให้ร่ำรวยนับล้านขอให้ถูกสลากกินแบ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสมบัติสวรรค์หากชาติก่อนไม่เคยได้ทำบุญใส่บาทฝากสวรรค์เอาไว้อยู่ๆจะมาขอเบิกในชาตินี้จะมีที่ไหนมาให้เบิกผลหรืออนิสงของการทำทานที่ครบองค์ประกอบสามประการนั้นย่อมมีผลให้ได้ซึ่งมนุษย์สมบัต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 ต้นไม้นั้นก็จะต้องเจริญและผลิตดอกออกผลตามมานั่นเององค์ประกอบข้อที่3เนื้อนาบุญต้องบริสุทธิ์คําว่าเนื้อนาบุญในที่นี้ได้แก่บุคคลผู้ได้รับการทําทานของเราเปรียบเหมือนกับการหว่านเมล็ดข้าวเปลือกลงในพื้นนาแม้เมล็ดข้าวนั้นจะเป็นพันธุ์ดีที่พร้อมจะงอกเงย เปรียบได้กับวัตถุทานบริสุทธิ์และผู้หวานคือกสิกรก็มีเจตนาจะหวานเพื่อทำนาให้เกิดผ ล, ผลเป็นอาชีพเปรียบได้กับมีเจตนาบริสุทธิ์แต่หากที่นานั้นเป็นที่ที่ไม่สม่ำเสมอกันมเมล็ดข้าวที่หว่านลงไปก็งอกเงยไม่เสมอกันโดยมเมล็ดที่ตกไปในที่ดินดีปุ๋ยดีมีน้าอุดม ก็จะงอกเงยมีผลิตผลที่สมบูรณ์ส่วนมเมล็ดที่ตกบนพื้นนาที่แห้งแล้งมีแต่กรวดกับทรายและขาดน้ำก็จะแห้งเหี่ยวหรือเฉาตายไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าแม้วัตถุทานจะบริสุทธิ์ดี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 ก็ยังได้บุญน้อยกว่าให้ทานดังกล่าวแก่ผู้ที่มีศีลแปแม้จะให้เพียงครั้งเดียวก็ตาม 4. ให้ทานแก่ผู้ที่มีศีลแปแม้จะมากถึงหนึ่งครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าถวายทานแก่ผู้ที่มีศีลสิบคือสา ม, มเณรในพุทธศาสนาแม้จะได้ถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม 5. ถวายทานแก่สามเมเนนซึ่งมีศีลสิบแม้จะมากถึง100รครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าถวายทานดังกล่าวแก่พระสมมุติสงฆ์ซึ่งมีศีลปาติโมกสังวร227ข้อ 6. ถวายทานแก่พระสมมุติสงฆ์แม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานแก่พระโสดาบัน แม้จะได้ถวายทานดังกล่าวเพียงครั對對 like shoe, ้งเดียวก็ตาม 7. ถวายทานแก่พระโสดาบันแม้จะมากถึง100รครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานดังกล่าวแก่พระสกิทาคามีแม้จะถวายทานดังกล่าวเพียงครั้งเดียวก็ตาม 8. ถวายทานแก่พระสกิทาคามีแม้จะมากถึงหนึ่งรครั้ง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 แม้จะมากถึงหนึ่งร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานแกพระปัตเจกับพุทธเจ้าแม้จะถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตามสิบเอ็ดถวายทานแกพระปัตเจกับพุทธเจ้าแม้จะมากถึงหนึ่งร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายทานแกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้จะถวายทานดังกล่าวแต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม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 แม้จะมากถึง100ครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายวิหารทานแม้จะได้กระทาแต่เพียงครั้งเดียวก็ตามวิหารทานได้แก่การสร้างหรือร่วมสร้างโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนศาลาโรงธรรมศาลาท่าน้าศาลาที่พักอาศัยคนเดินทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 1. การสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณะประโยชน์หรือสิ่งที่ประชาชนใช้ร่วมกันแม้จะไม่เกี่ยวกับกิจในพระพุทธศาสนาเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนบ่อน้ำแทงน้ำศาลาป้ายรถยนต์โดยสารประจำทางสุสารเมนเผาศพก็ได้บุญมากในทำนองเดียวกัน 14. การถวายวิหารทานแม้จะมากถึง100ครั้งหรือ หนึ่งร้อยหลังก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้ธรรมทานแม้จะให้เพียงครั้งเดียวก็ตามการให้ธรรมทานคือการเทศการสอนธรรมะให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้ให้ได้รู้ที่รู้อยู่แล้วให้รู้ยิ่งยิ่งขึ้นให้ได้เข้าใจในมรรคผลนิพพานให้ผู้ที่เป็นมิจฉาทิฐิได้กลับใจเป็นสัมมาทิฐิ ชักจูงผู้คนให้เข้าปฏิบัติธรรมรวมตลอดถึงการพิมพ์การแจกหนังสือธรรมะ 15. การให้ธรรมทานแม้จะมากถึงหนึ่งครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้อภัยทานแม้จะให้แต่เพียงครั้งเดียวก็ตามการให้อภัยทานก็คือการไม่ผูกโกรธไม่อค่าจองเวรไม่พยาบาทคิดร้ายผู้อื่นแม้แต่ศัตรู ซึ่งจะได้บุญกุศลแรงและสูงมากในฝ่ายทานเพราะเป็นการบำเพ็ญเพียรเพื่อละโทสะกิเลสและเป็นการเจริญเมตตาพรหมพิหารธรรมอันเป็นพรหมพิหารข้อหนึ่งในพรหมพิหารสีให้เกิดขึ้นอันพรหมพิหารสีนั้นเป็นคุณธรรมที่เป็นองค์ธรรมของโยคีบุคคลที่บำเพ็ญฌานและวิปัสสนา ผู้ที่ทรงพรมวิหารสีย่อมได้เป็นผู้ทรงฌานซึ่งเมื่อเมตตาพรมวิหารทำได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อใดก็ย่อมละเสียได้ซึ่งพยาบาทผู้นั้นจึงสามารถให้อภัยทานได้การให้อภัยทานจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและยากเย็นจึงจัดเป็นทานที่สูงกว่าการให้ทานทั้งปวงอย่างไรก็ตาม การให้อภัยทานแม้จะมากเพียงใดแม้จะชนะการให้ทานอื่นๆทั้งมวลผลบุญนั้นก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าฝ่ายศีลเพราะเป็นการบำเพ็ญบารมีคนละขั้นต่างกัน 2. การรักษาศีลศีล น, นั้นแปลว่าปกติ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 และเป็นการบำเพ็ญบุญบารมีที่สูงขึ้นกว่าการให้ทานทั้งในการถือศีลด้วยกันเองก็ยังได้บุญมากและน้อยต่างกันตามลำดับดังนี้ 1. การให้อภัยทานแม้จะมากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถือศีลห้าแม้จะได้ถือเพียงครั้งเดียวก็ตาม 2. การถือศีลห้า แม้จะมากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถือศีลแปแม้จะถือเพียงครั้งเดียวก็ตาม 3. การถือศีลแปแม้จะมากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถือศีลสิบคือการบวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาแม้จะบวชมาได้เพียงวันเดียวก็ตาม4 การที่ได้บวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาแล้วรักษาศีลสิบไม่ให้ขาดไม่ด่างพร้อยแม้จะนานถึงร้อยปีก็ยังได้บุญน้อยกว่าผู้ที่ได้อุปสมบทเป็นพระในพระพุทธศาสนามีศีลปาติโมกข์7ข้อแม้จะบวชมาได้เพียงวันเดียวก็ตามฉะนั้นในฝ่ายศีลแล้ว การที่ได้อุปสมบทเป็นพระในพระพุทธศาสนาได้บุญบารมีมากสุดเพราะเป็นเนกขมมะบารมีในบารมีสิบทิศซึ่งเป็นการออกจากกามเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติธรรมขั้นสูงสูงอานิสงค์ของศีลจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆตามระดับและประเภทของศีลที่รักษา อย่างไรก็ตามการรักษาศีลจะได้บุญน้อยกว่าการภาวนาเพราะการภาวนานั้นเป็นการรักษาใจรักษาจิตและซักฟอกจิตให้เบาบางหรือหมดกิเลส3การภาวนาการเจริญภาวนานั้นเป็นการสร้างบุญบารมีที่สูงสุดในพระพุทธศาสนา จัดได้ว่าเป็นแก่นแท้และสูงกว่าฝ่ายศีลมากนักการเจริญภาวนานั้นมีสองอย่างคือ 1. สมถะภาวนาคือการทำสมาธิและ 2. วิปัสสนาภาวนาคือการเจริญวิปัสสนาซึ่งสามารถแยกอธิบายได้ดังนี้1สมถะภาวนาหรือการทำสมาธิ ได้แก่การทำจิตใจให้เป็นสมาธิเป็นฌานซึ่งก็คือการทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวไม่ฟุ้งซ่านซึ่งพระพุทธองค์ทรงบัญญัติแบบอย่างเอาไว้40ประการเรียกว่ากรรมฐาน40แต่ว่าไม่ว่าจะเลือกปฏิบัติด้วยวิธีใดก็ตามจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาศีลให้ครบถ้วนบริบูรณ์ ตามเพศของตนเสียก่อนคือหากเป็นค า, ารวาสก็จะต้องรักษาศีลห้าเป็นอย่างน้อยหากเป็นสามเณรก็ต้องรักษาศีลสิบหากเป็นพระก็ต้องรักษาศีลปาติโมกสองข้อให้บริบูรณ์ไม่ขาดอ น, นิสงส์ของสมาธินั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าแม้จะได้อุปสมบทเป็นพระพิกสุ รักษาศีล227ข้อไม่เคยขาดไม่ด่างพร้อยมานานถึงร้อยปีก็ยังได้บุญกุศลน้อยกว่าผู้ที่ทำสมาธิเพียงทำให้จิตสงบนานเพียงชั่วไก่กระพือปีกช้างกระดิขูคำว่าจิตสงบในที่นี้หมายถึงจิตที่เป็นอารมณ์เดียวเพียงชั่ววูกที่พระท่านเรียกว่าคณิกะสมาธิ ผู้ใดจิตทรงอารมณ์อยู่ในขั้นคณิกะสมาธิแล้วบังเอิญตายลงในขณะนั้นอันิสงส์นี้จะส่งผลให้บังเกิดในเทวโลกชั้นหนึ่งคือชั้นจาตุมหาราชิกาหากจิตยึดในไตรสาระคมคือมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดด้วยแล้วก็จะเป็นเทวดาชั้นที่สองคือดาวดึงการทาสมาธิ เป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ลงทุนน้อยที่สุดเพราะไม่ได้เสียเงินเสียทองไม่ได้เหนื่อยยากแบกหามแต่ประการใดเพียงแค่คอยระวังสติคุ้มคองจิตไม่ให้แส่สายไปสู่อารมณ์อื่นๆโดยให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเท่านั้น 2. วิปัสสนาภาวนาหรือการเจริญปัญญา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 แตกต่างไปจากอารมณ์ของสมาธิเพราะสมาธินั้นมุ่งให้จิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวแน่นิ่งอยู่เช่นนั้นไม่คิดถึงอะไรแต่วิปัสสนาไม่ใช่ตั้งจิตมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวนิ่งอยู่เช่นนั้นแต่เป็นจิตที่คิดและใคร่ครวญหาเหตุและผลในสภาวะธรรมต่างๆและสิ่งที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนานั้น มีแต่เพียงอย่างเดียวคือขันห้าซึ่งนิยมเรียกกันว่ารูปนามโดยมีรูปหนึ่งส่วนนามสี่ส่วนคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันสภาวะธรรมทั้งหลายซึ่งได้แก่ขันห้านั้นล้วนแต่มีอาการเป็นพระไตรลักษ์คือเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตา โดย 1. อ น, นิจจังคือความไม่เที่ยงสรรพสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของรูปกายของเราล้วนแต่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเมื่อมีเกิดขึ้นก็ต้องมีเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นไม่อาจให้ตั้งมั่นอยู่ในสภาพเดิมได้ไ<อ>เช่นคนและสัตว์ เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีการเจริญเติบโตเป็นหนุ่มสาวและเฒ่าแก่จนตายไปในที่สุดไม่มีเว้นไปได้ทุกผู้คนแม้แต่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทั้งหลายทั้งพลมและเทวดาก็เช่นกัน 2. ทุกขังได้แก่สภาพที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทุกขังในที่นี้ มีได้หมายความเพียงแต่เป็นความทุกกายทุกใจเท่านั้นแต่การทุกกายทุกใจก็เป็นลักษณะส่วนหนึ่งของทุกขังในที่นี้สรรพสิ่งทั้งหลายอันเป็นสังขารธรรมเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ไม่อาจที่จะทนตั้งมั่นอยู่ในภาพนั้นได้ตลอดไปไม่อาจทรงตัวและจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเมื่อได้เกิดมาเป็นเด็ก จะให้ทรงสภาพเป็นเด็กๆตลอดไปก็หาได้ไม่จะต้องเปลี่ยนแปลงเป็นหนุ่มและสาวแล้วก็เฒ่าแก่จนในที่สุดและต้องตายไปแม้แต่ขันที่เป็นนามธรรมอันได้แก่เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ไม่มีสภาพทรงตัวเช่นเดียวกันเช่นขันที่เรียกว่าเวทนาอันได้แก่ความทุกข์กายทุกใจ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 โดยสรรพสัตว์ทั้งหลายอันเนื่องมาจากการปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณล้วนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเช่นรูปขันย่อมประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆมาประชุมร่วมกันเป็นกลุ่มก้อนเป็นหน่วยชีวิตเล็กๆซึ่งเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่าเซลล์แล้วเซลล์เหล่านั้นก็มาประชุมรวมกันเป็นรูปใหญ่ขึ้นจนเป็นรูปกายของคนและสัตว์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 ส่วนสิ่งที่ให้เกิดพลังงานและอุณหภูมิในร่างกายเช่นความร้อนความเย็นเรียกว่าธาตุไฟส่วนธรรมชาติที่ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวความตั้งมั่นความเคร่งความตึงและบรรดาสิ่งที่เคลื่อนไหวไปมาในร่างกายเรียกว่าธาตุลม ต่อไปคืออารมณ์ของวิปัสสนานั้นอารมณ์ของวิปัสสนาจะเป็นอารมณ์ที่ใครควรหาเหตุและผลในสังขารธรรมทั้งหลายจนรู้แจ้งเห็นจริงว่าเป็นพระไตรลักษณ์คือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและเมื่อใดที่จิตพร้อมยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเรียกว่า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 ก็จะยิ่งก้าวหน้าและตั้งมั่นยิ่งยิ่งขึ้นอีกเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิฉะนั้นทั้งสมาธิและวิปัสสนาจึงเป็นทั้งเหตุและผลของกันและกันและอุปการะซึ่งกันและกันฉะนั้นการที่จะเจริญวิปัสสนาภาวนาได้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำสมาธิให้ได้เสียก่อน หากทำสมาธิยังไม่ได้ก็ไม่มีทางที่จะเกิดวิปัสสนาปัญญาขึ้นสมาธิจึงเป็นเพียงบันไดขั้นต้นที่จะก้าวไปสู่การเจริญวิปัสสนาปัญญาเท่านั้นซึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดแม้จะทำสมาธิจน จ, นจิตเป็นฌานได้นานถึงหนึ่งร้อยปีและไม่เสื่อมก็ยังได้บุญน้อยกว่าผู้ที่มองเห็นความเป็นจริงว่า